นักโมตถะปุสวรรค์อรหัตตุสมมาสัมพุทธะนักโมตถะอรหัตตุสมมาสัมพุทธะนักโมตถะปุสวรรค์อรหัตตุสมมาสัมพุทธะ สัพเพสัตตามาริตสันตุผุ้บนตัมนามหุตังอุณินโอกาสบัติรูปปัตมนาภาตุสุแดนและจะทำนาทสนาไม่มรณะนาุสติกรรมฐานเพื่อเป็นเครื่องสสองเข้าจะทาบรมี ปูันดาชนิสราภาณบุญย์ทั้งหลายเด็นความใ จ, จัน ง, งา น, งนบเนทึกโดยสมุดจังปัดปูวันแรงปุ๊ีขั้นเดียวสมัยถือวนวันส้นเดือนในการเปนแงจะทำมาเพืนในวันนี้ม่เสียพลุ่งมาจากวันซาก่อนเพยาจุลัดวันนี้ไม่เตียเ ม, ม, รม เ, ยเรื่องมาวันซีนมันป่วยให้ดูเรื่มดูเรื่อง แต่นนว่าสมรัก บ, บารณานานุปสิธิกรรมฐานมูลบรรดาทุกพทธบริษัท์ทุกท่านยวต้องเกร็นไว้เป็นอุปติิเพว่าขึ้นชื่วเราวามตายย่อมไม่มีนิมิตไหมายไม่มีการเวลาแ น, น่นอนนอกจากองค์งเด็กาดาดาาชายจงเวรบารมิสัสสาสงนาสมุติเจ้าหรือว่าพระหัมมบริสาลกย่อมจะทราบเหตุทุติ์นจะต้องบรมิสพาด เอ็มรกจากนั้นมหาวัฒนรดาพระพุทธบริสรัทธ์เปหลายมีกําลังใจเข้ถึงพระพุธศาสนามีความคล่องเน น, น, น, น, น, นนาตาไมานนส่สติกรรมฐานท่านผู้มีเจ้าทรงชาเนนาตาไม่สติกรรมฐานเป็นปกติก็ย่อมจะรู้เวลาตายส่วนหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าเวลาที่ความตายนั้นแม้จะเร็วหรือไม่รู้ก็ตามที ยั่งจำมืชีวิตจททั้งหมดตามองสมเด็จพระบรมสุคติ <c oughs> โาจากเปพรธรามเทศว่ า, า, วานี้นมิตตังเสถาบรูตานังกตัญโยกตเวทีบุคคลใดเจอมีทังนั้จะมิทากตัญโยรู้คุณชนองสมเด็จตังสมาสังพฤตจารกนต้นพวกคนก็ส่งตายาสัตยสีามายมริตสันตินรมนตังหิชีรีตัง คือวายทั้งหมดคือเกิดมาได้ทั้งหม ด, ดหมดีวอมตายเหมือนกันหมดฉะนั้นเมื่อความตาย ม, มีอยู่องค์สมเด็จพระบรมครูจึสทรงสงั่งสามบรรดาท่านพระบริษัทธว่าท่านย่างหลายจงอย่าประมาในความดีถ้าบุคคลใดก็ตามที่คิดว่าตนดีบุคคลนั้นก็หาความดีไม่ได้ ทันนี้พวกเราดูว่าจะไม่แสวงหาความดีต่อไปความวุ่นมายเกิดขึ้นในใจ ก, ก็จะกลายเป็นความชั่วความตายที่ตายหนีอ้องคนน์สมเด็จสมาหา อ, องค์หนึ่ที่ทรงตับไว้ในเรื่องกีฬาโคตมีขันได้กีฬาโคตมีนี่ชื่อสามกบทํานงนางองค์ห้องสมเด็จสมาหาสมพระเจ้า ส ำ, ส, นนออสำหรับพระนางนางพระองค์พระเหสีพระมาพระติจาท่านท่านเป็นอรหันต์สำหรับดีสายโคตรมีเมื่นั้นแปลกดว่เป็นลูกชาวบ้านธรรมดาแปวกดว่าในกาลหนึ่งหลังจากเธอแต่างงานแล้วเขาเล่ารัแกแปลกดว่าเธอมีบทเป็นคนแรกอาศัยที่มาไม่เคยมีบท ต่อมาหมึกคนงานพอถึงกับความตายเป็นคนรุคนหลายบุย่นุมึกนงานตายแล้วมานก็ไม่เชื่อท่านนี้พราะว่าเธอมีอายุหน้อยได้สิบหกปีแต่เระถ้าอย่างนงนงมันระยะเวลาที่เธอเกิดมานี้าอายุสิบหกปียังไม่เคยเห็นา ญ, ญาติผู้ใหญ่และา ญ, ญาติผนน้อยตายตายังไม่มีความเข้าใจว่าคนตาย เธอจึงพยายามจหาหมอทั้งหลายให้สาโรคของเธออุ้มลกูลกของเธอไปด้วยในจุดอุ้มไปอุ้มมาก็ไม่มีหมอท่านไหนสามารถจะสารได้ก็เป็นการบังเอิญอย่างยิ่งมีหมอท่านหนึ่งที่มีความพ ร, รมารพต่อองค์สมเด็จเจ้าสมมาสังคติเจา้าว่าคนทุกขจะสาโรคไม่ได้มีท่านเดียวคือพระสมเดอ็จพระสมณโคดมพระมังก ต่เวลานี้สมเ็จ ป, ประทับอยู่ไกลนอย่ามนอุ้มมามลูกชายผ้นางเข้าไปหาท่านนั่งไนที่ที่ทนถวายธรสมะแต่คนมันถวายบางคมองค์สมเด็จพ ร, ระบรมศาสดาแล้วยินดีก่าวมุอขอความกุณาจาองค์สมเด็จพระมสแก้วว่าพันตภคกรวาข้าแต่องค์สมเด็จพระพุทธมีและข้าเจา้าผู้เจริญพระพุทธยอดเขา เวลานี้บุคคลข้ า, ราพระเจ้าป่วยไม่สบายมากอยากจะขอทางคนนาจากองค์สมุดรสมุดมีพระพ่ายเจ้าให้ทรงช่วยรักษาเธอให้หาย <c oughs> สมเด็จเจ้ิจอมเทวมารศาสนาและเจนาดูสมเด็จพราบรมครูก็ทรงทาบว่าหญิงคนนี้จะเป็นพระอะเรจ้าคือฤาษีดาบัน จานั้นองค์สมเด็จพระบ ร, บรมรงปายสาวนดาได้พิจารณาต่อไปว่าทำอันใดที่จะสงเคราะห์เธอให้เป็นพระอริยเจ้าในขนะนี้สงเล็จพระนสีก็ทรงทราบจะต้องใช้ม ร, รณานัทธิกรรมฐานเป็นททเหตุจะนั้นองค์สมเด็จพระบรมรูปายโลกเป็นเชื่อจินตสงกับว่าพระกินเลือดรามาย โรคอย่านี้ไม่ เ, เกินวิสัยที่สถาคจะรักษายหายได้แต่ได้ว่ายาที่มันมีส่วนผสมหายากอย่างหนึ่งนั่นคือเมลรรมร็ดนธุ์อากาศคอยเถิดไปหามลรรมรามา็ดนธุ์อากาศมาสถาคจะผสมญาใหา้แต่ด้ว่าเมลรรมร็พนธุ์อากาศนั้นไซจะต้องไปหาจากตรกูลที่ไม่มีคนตาย ถ้าแต่กูนไหนก็บอกว่าไม่มีคนตายก็ขอซื้อมันิพพนรกาศจากเขาเพราะเธอเป็นมหาเจถีถ้าได้มัธินรกาศมาแล้วนี้แตถาโคจะผสมญาละสาให้โลกัองเธอจะหายจะโรคไใไทเจบเป็นอนุญาตีสาธโกตองมีพระคำบับิพันธารวาทีพระองค์สมเด็จตสำมาสุติเจ้าแล้วก็ด <c oughs> ีใจ ยิงในอุ้มลูกเงเ่อที่ตายแล้วเข้าใจว่าไม่ตายไปหาตามบ้านทั้งหลายไปถามว่าบ้านไหนมีเมล็ดทําธุ์อากาศมากส่วนมากาะบ้านเขาปลูกอากาศกัน <c oughs> ทุกบ้านก็บอกว่ามีนานงก็ถามต่อไปว่าบ้านนี้หรือต่กลนี้มีคนตายไหมคนที่อยู่ก็บอกว่าคนที่อยู่เนี่ยมันน้อยกว่าคนที่ตายไปต้นแต่กลุ่ทั้งหลายตายไปมากมายกว่านี้ เธอก็ถามไปถามมาจนกว่ายะสิมเวลาหนึ่งวันปรากฏว่าไม่พบว่าบ้านไหนที่ไม่มีคนตายจึงไม่มีโอกาสที่นายล้วน น, น, นามาดทันรรกาศใังหวัสนักสระสกุลที่ไม่มีคนตายมาถวายองค์สมเด็จพระผู้ทธมีพระผ้าเจ้าและในที่สุดนายก็กลับมาหาพระพุทมีพระผ้าเจ้าปรากฏว่าเด็กคนนี้นเริ่มจะมีกลิ่น ในตอนนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะมีทรงจัดพิธีบาลีตามที่กล่าวไว้ในตอนต้นว่าสัพเพสตามริสสันติมรนันตังหิชีวิตังขึ้นชื่อว่าสัตว์ทั้งหลายคําว่าสัต ว, ว์หมายถึง ว, ว่าสิ่งที่มีชีวิตจะเป็นคนคนดีจะเป็นสัตว์กุดีเกิดมาเท่าไหร่ตายหมดเท่านั้นแต่ ว, ว่ากาลเวลาย่อมต่างกันที่มีอายุถึงอายุไข ทั้นี้เพราะว่าบุคคลผู้นั้นใช้ปราศจากโทษจากปานาธิบัติบางคนมีโทษปานาทิบาตน้อยลงไปก็มีอายุใกล้อายุไขบางท่านที่มีอายุปานาทิบาตมากก็มีอายุสั้นกานตายบางท่านก็ตายมาจากทครผู้มันดาทั้งนี้ผลจากอกิจกรรมแห่งปานาทิบาตแล้วองค์สมเด็จพระบรมนอรสาธิ迦รินทรวาสทัศ น, น์ววที่มียอยู่ในน้องหญิง ลูกชายของเธอเวลานีเขาเธอตายไปแล้ว <c oughs> แล้วก็ยังมีชีวิตหนึ่งข้างหน้าที่จะตายตามต่อไปก็คือเธอในการตายได้ย่อมมีคติเป็นสองรายกลรก็คือสุคติกับทุคติถ้าเรามีความเห็นผิดคิดผิดทำผิดล้ะกอบกิจในความชั่วมีหนึ่งโลภ ค, ความเน่ามีความโลภในจิต ไม่คิดจใจทายกองการกุศลมีความกเกษียกเกสมอย่างเดียวอยากจะมีความร่ำรวยกำลังใจข้นตนก็มัวหมองคนประเภศนี้ตายไปแล้วสู่ทุกติคือนรกเป็นต้นแล้วองสมเด็จพระพุทธสุณ์ก็จึงตัดต่อไปว่าถ้าคือมีความประมาทเข้าใจว่าตนไม่ตายไม่ไม่เว้นปัญญเวรนนั่งห้าบรยกายมีปานาติมบาตเป็นต้น องสมเด็จพระทธสัพลโดยไมาสาย่สาสนใดก็ทรงเห็นว่าถ้าตัวเป็นอย่างนี้ตายไปแล้วก็ไปทุกขติได้เลการในสามท่านเรายังมีความหลงคิดว่าร่างกายที่เป็นเราเป็นของเราเรามีในร่างกายร่างกายมีในเราคิดว่าร่างกายนี้มันจะไม่แก่ไม่เฒ่าไม่ป่วยไม่ตายคนดีถ้ามีความลหลงไหลไปฝันในวัตถุธาตุทั้งหลายที่เป็นทรัพย์ถึงก็ดี ในบุคคลทั้งหลายเราดีชื่กสิณทั้งหลายเหล่านี้จะไม่พัดผ้าจากกันอารมณ์อย่างนี้นั่นสมเด็จพระพักตร์วันเบรมัสาศนดาตรัสว่าเป็นอารมณ์ที่สอมองตายไปแล้วก็ไปสู่ทุกขติเช่นเดียวกันต่อมาองค์สมเด็จพระพักตร์วันเบรมัสาศนดาส ม, มาัยพระุตธเจ้าจึงกล่าววา่าพระกินิดูการน้องหญิงจะได้ขอเธอจงเป็นผู้ไม่ประมาท ดูลูกของเธอเป็นตัวอย่างเธอเป็นมารดาของลูกลูกเป็นบุตรของเธอแต่ว่าเวลานี้บุตรที่เกิดมาถินหลังได้ตายไปแล้วชั้นใดชีวิตของเรานี้้ายต่อไปก็จะต้องตายเช่นเดียวกันถ้าหากว่าเราจะทิ้งสนจจตอนที่ตรงถึงได้ความตายก็าตรงตั้งใจไว้ได้ของความดี ให้ปริบัติในความดีสามรายการคือหนึ่งทานนาำัยบุญเสมอใิกา ร, บ, การบริจาคทานคิดไว้ในใจเสมอว่าทรัพย์สินที่เรามีเพียงใดเราจะแบ่งปันทรัพย์สินนั่นหลายไ่ไว้เป็นสี่ส่วนหนึ่งชระมนีเก่าได้แก่สงเคราะห์บิดาบรรดาผู้มีพระคุณให้มีความสุข สองเป็นเจ้ามีใหม่ถ้าเรามีบุตรมีทินดาขึ้นมามาไรแล้วก็ตั้งใจจะอํางินส่วนอย่างนี้ใส่ ส, สะงเคราะห์บุตรทินดาให้มีความสุขการดำเการในสามฝั่งไรตั้งใจบําเพ็ญกุศลทำจิตใจก็งตนให้ประกอบด้วยทานการบริจาคส่วนดีสี่ทิงเหวนั่นคือกินเข้าไปแล้วองค์สัญญ์โดยจอมไต ร, รยุรมิสาเสนได้ก็ส่งัตว่าขึ้นชื่อว่าการให้ทาน ย่อมมีการมีสมัยถ้าไม่มีบุคคลใดมารับเราชื่อว่าเวลานั้นไม่มีโอกาสให้ทานแต่ถ้าว่าจิตก็เธอนดนนำชิดไว้เสมอว่าถ้าเรามีโอกาสเมื่อไรพบคนก้นดีพบสัตว์คนดีที่มีความทุกข์เราจะพยายามบำรุงเขให้มีความสุขตาถฐานะที่เราจะเพิ่มทำได้ อย่างนี้ชื่อว่าใ จ, จของเธอตั้งอยู่ในตาคารุสติกรรมฐานปฏิจากความโลกภในจิตสันดานแล้วองค์สมเด็จพระกิตตมมารมุศาสดาลก็ส่งตัด ต, ต่อไปว่าทานังสกัสโธทานังการตั้งใจที่จะทานนี้ต้องเป็นบันไดให้เกิดบนสวรรค์เราจะประสิทจากอบายภูลด้วยสี่รายการคือเกิดเป็นสัตว์นรลกเต็อสุรกายสัตว์เลี้ยงชาง และต่อไปองค์สมเด็จพระพิชรตามารุนมัสสัญญาก็สมจักอานิส ง, งส์ของศีลว่าศีเลยในสุขติมันติคนปฏิบัติศีลยังไม่มีชีวิตอยู่ก็มีความสุขตายไปแล้วก็มีสุขปิติไปท <c oughs> ี่ไปศีเลยนโภกสมัมมามื่อปฏิบัติศีลได้เมืม่อมีมีชีวิตอยู่ทรัพย์ทั้งหลายที่มีอยู่ก็มีความเมียเกี่ยงตายไปแล้วก็มีที่ประสมบัติมาก สีเลนะนิปุติยันติสิมย่อมเป็นปัจจัยเข้าถึงพนิพพานและองค์สมเด็จพระยุทธมานก็ส่งไล่สินทีละข้อละข้อถึงห้าข้อถามว่าเธอจะปฏิบัติได้ไหมเธอรอับรองพรองค์สมเด็จไปจอมตรายบริมาสันาว่าตั้งแต่เกิดมาเป็นชีวิตที่มีกรรมความได้ถึงป่านนี้ เราพร้เดจจายังไม่เคยละเมิดศีลเลยพระเจ้าค่าศีลห้าข้อนี้เขาเตนบริบูรณ์องค์สมเด็จโสมมาสมุทรเจ้าจึงกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นน้องหญิงจงทำจิตอีกนิดหนึ่งว่าพระอานาจทากรดีสิงนถือบริบูรณ์แล้วเกอจงทำใจอันเธอสองแผ่วตั้งใจเข้าถึงมริพพานเป็นอารมณ์ เป็นนั้นว่าพอสมดเสมดม็จเร็สัมมาสัมพุทธเจ้าเทศจบเธอก็มาุูกว่าโสดาปฏิผลเป็นพระอธิยบุคคลใหม่ไปพุทธศาสนาอันนี้เป็นตัวอย่างพระบุคคลคนหนึ่งแต่ถ้าว่าบรรดาททางพุทธบริษัทหลายโดยชนหนาบุคคลใดก็ดีที่มีจิตประกอบพฤติธรรมตอธรรมกต้นเช่นกีสาโคตมีนี่เป็นต้น องสำเด็จพระพุทธพคนบรมยิศาสนาสัมมาทัพเเจ้าทรงตรัสว่าถ้าตายแล้วย่อมเลือกที่ไปได้หมายความว่าก่อนยังก่อนจะตายจะเห็นเทพเจ้าพรมและพระอรหันต์ทั้งหลายได้ตามมรรยาสายคงตนอันนี้จากว่าตนเองเป็นพระอรหันต์ความจริงพระอรหันต์ไม่ต้องน่าจะพูดนะว่าอรหันต์เมื่อท่านจะตายท่านย่อมเห็นพระอรหันต์ที่ตายไปแล้ว แล้วภูวันดาและพมทั้งหมดจะต้องแวดลอ้อมอ น, นี้สูงเกินไปแล้วังไว้ก็ดีสําหรับคนที่มีกําลังจะตํากว่านี้คือมีฐานทานสีภาวนาเป็นปกติวเวลาที่จะตายถ้าจิตใจเขาตนก่อนในก่อนตอนตอน้นก่อนจะตายตั้งใจขอรบในคุณพตัตนาไตรทั้งสามราการโดยยึดพระนิพพานเป็นอารมณ์ คนประเภศ น, นี้ก่อนจะตายจะเห็นภาพก่อนตัวอย่างในสมัยที่องค์สมเด็จพระจินนว ร, ส, รสุเมศสันดาสมาสุปฏิเจา้าทรงมีชีวิตอยู่นั่นก็คือท่านพ ม, มิกาอมมาลสกสมบสัตท่านร ม, มิกาอมบาสกนี่คำว่าธรมิกานี่มันก็ยิงไม่ใช่ชื่อเพราะแปลว่าอุมบาลสกที่มีจิตประกอบปริรรมคือมีธานน้ำใมมีการให้ทานเป็นปกติ ศีลใหม่มีการรักษาพระศีลเป็นปกติภาวนาใหม่มีการเจริญภาวนาเป็นปกติแต่มีความสงสัยว่าท่านผู้นี้จะเป็นพระอริยเจ้าเพราะว่าเป็นลาตายแล้วไปชั้นรูสิทิโดยเฉพาะอย่างยิ่งชั้นดูสิทธิ์ น, นี้จะเข้าได้เฉพาะบุคคลที่เป็นพระอริยเจ้าเท่านั้นถ้าไม่ใช่พระพุทธวินดาไม่ใช่พุทธมารดาและไม่ใช่รบริษัทที่มีบรารมีแก่กล้า และก็ไม่ใช่ท่านที่เป็นพระอริยเจ้าตั้งแต่ประสดาบันขึ้นไปจะเข้าชั้นนี้ไม่ได้ดัง <c oughs> นั้นท่านางหลายที่เคยไปชั้นโดยสิทจงทราบว่าเทวดาในชั้นนั้นมุ่งเป็นพระโพธิสัตว์สองคือพุทธีดาและพุทธมันดาสารธรรนอกจากนั้นต้องเป็นพระอริยเจ้าตั้งแต่ประสดาบันขึ้นไปเม <c oughs> ื่อท่านมีเก่าวุบาสท่านมีจิตประกอบพรติธรรม มีความไข้ควรอยู่ในธรรมอยู่เสมอเชื่อทานศีลภาวนาท้าไม่ขาดในเวลาที่ท่านใกลใ้จะตายท่ า, ทารู้ว่าตายแล้วไม่รู้ว่าตายก็ไม่ทราบเวลานั้นท่านป่วยลงไปก็ตั้งใจจะสนับพระบริสทาว่าพระบาริสหมายถึงพระสูตรต่างๆที่เขาฝึกไว้เป็นบทสรสมนุน ยังให้ลูกสาวลูกชายไปอาราธนาองค์สมเด็จพระทศกุลมาขอที่มนพระสงฆ์มาสวดพระบริตท่านต้องการจะสนับแล้วพระเจ้าก็ได้ทรงส่งพระมาแต่การส่งพระมากร น, นั้นรู้สึกว่าส่งพระมาเป็นกรมีพิเศษไมายความว่าส่งพระตามมัวมาทั้งหมดคำว่าพระตามมัวก็หมายความพระที่ไม่ได้ทิฏฐิปุญญา ส่งมาแล้วพระก็นั่งล้อมท่านตามประเพณีนิยมการสวดสมัยก่อนเขานั่งล้อมเพื่อพระทำสายศีลกันพวกอสุรกายและพวกเหตุไรจะเข้ามารบกวนเมื่อพรมนั่งล้อมทั้งหมดพระก็เริ่มสวดปัรดารวรดาทั้งหกชั้นมีชั้นจาตุมาราชั้งยามาชั้นดาวดินญามานุสิตมีมาลาดีปะถิมิจฉาสวัสดี ต่างก็เอารถทิพย์มาแล้วก็ร้อนตะกกนบอกว่าฉันเป็นเทวดาฉันนั้นฉันที่เป็นเทวดาฉันนี้ขอเชิญท่านอมบาศกจลไปอยู่ชั้นนั่งฉ น, นี้พระบพระเจ้าเวลานี้พระเจ้าเอารถทิพย์มารับแล้วแกก็พยายามห้ามเทวดาเท่าไหร่เทวดาก็ไม่ยอมยุดเป็นเหตุให้ฟังสดมนไม่ได้ยินจิ่งลืมยกบกยกมือขึ้นบอกให้ร้อนตะกกนหยุดก่อนหยุดก่อนหยุดก่อน ว่ทําไม่หยุดก่อนลูกสาวลูกชายไม่เห็นไม่เห็นเทวดาแอแลแถมพระทิ่ไเท่ก็ไม่เห็นเทวดาเสียด้วยลูกสาวลูกชายก็ตกใจพระก็หยุดพระเข้าใจให้หยุดสวดแลว้วเมื่อเมื่อท่านรออยู่ก็เดี๋ยวหนึ่งก็ไปบอกให้สวดแกคิดว่าท่านธมิกาอุ ม, มสัสศพคงไม่ต้องการฟังธรรมถ้ายิงไพ่กันรากับลูกหญิงลูกชายก็เสียใจว่าพ่อไม่น่าจะเป็นอย่างนี้เลย เมื่อก่อนรติสัมปชัญญะก็ดีแต่ตอนป่วยครั้งนี้รู้สึกอารมณ์ฟันเฟือยไปมากพอเชา้าพระองค์สําหรับพระผู้มีพระภากลับไปล่ำสักครู่หนึ่งทาาเทวันดาหยุดเสียงพูดเมือ่อเทวรรดาหยุดพูดหยุดร้องหยุดตะโกนลงมาเสียงก็สงบชงักให้ระลึมตามาตั้งใจจะฟังพระสวดมนต์ก็ปรากฏว่าเห็นพระยังถามดูว่าพระไปไหน บรรดาลูกท่างหลายก็บอกว่าพ่อไม่ต้องการฟังท่านสวดท่านก็ไปให้ท่านหยุดท่านก็เลยบอกว่าลูกรักพ่อมาโดยบอกให้๊ะหยุดเพราะอยากจะฟังพระบาริแล้วว่าเทวดาตั้งหกชั้นมายุ่งส่งเสียงเอ็ดกบเสียงพระพระสวดลูกก็เลยเสียใจต่อไปว่าพ่อนีเพอใหญ่หน้าเชื่อไดที่ปติสปัญยะไม่สมบูรณ์ท่านพ่อก็บอกว่าพ่อไม่ได้เพอ ก็เป็นการยืนยันพ่อยังบอกว่าถ้าเช่นนั้นเจ้าจะนำพงมลายมาแหงวงแล้ว่าถามด้วว่าเทวดาทั้าทางหกชัน้นเนี่ยคือหนึ่งจาตุมหาราชสองดาวดุงสามยามมาสีดส่ดวสิทธิห้าหนึ่งมาแล้วดีหกปรินิพพิสวัสดีอยากจะถามว่าเทวดาทั้าทางหกชั้นนี้ชั้นไหนดีที่สุดลูกก็บอกว่าชั้นดวสิทธดีที่สุด ถ้ายิงโยนภูมิลาภัยคือคล้องงอนรถชั้นดุสิตแต่ลูกก็ไม่เห็นรถกลายเปเห็นภูมิลาภัยลอยในอากาศเฉยๆไม่เคลื่อนไหวท่านก็บอกว่านั่นแหละเป็นชั้นดุสิตที่งอนรถถือคล้องว้ว้จนภูมิลาภัยที่พ่ออยนเห็นไปเป็นนั้นว่าไม่ช้าไม่นานเท่าใดถ้าเก็ขึ้นจากขันห้าไปขึ้นรถบนชั้นดุสิตไปอยู่ชั้นดุสิตเป็นแล้เรื่องนี้ที่นํามาตําแสดงแกบรรดาท่านพุทธบริษัททราบ <c oughs> ว่าความตายเป็นของมีจริงในความตายที่จะมีจบทุคคลนี้ขอคนทุกคนอย่าพูนคำหนึงทุกความตายว่ามันจะทุกเป็นโทษเพราะ่าตามธรรมดาคนเราเกิดมาทั้งหมดจะเป็นคนคนดีสักคนดีถึงแม้แต่องค์สมเด็จติชินาสีบริบาลศาสตรสันดาสั ม, มาสุทรเจ้าจึงัดว่าจัดว่าเป็นอัจฉริยะบุคคล บามจริงองสมเด็จพระทศพล์บรมศาสนดาที่ทรงตรัสว่าบุคคลใดที่เข้าในพิบาทสีบุคคลประเภทนี้าสามารถจะอธิษฐานกายไว้ชั่วยกับหนึ่งและกันหนึ่งก็ย่อมเป็นไปได้แต่ได้ ว, ว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทรทั้งหลายสำหรับท่านที่มีความสามารถอย่างนี้ก็ไม่มีใครอธิษฐาน เพราะว่าทุกท่านเบื่อในขันห้าเห็ว่าขันห้าเป็นโทกเ ป, เป็นโทษเป็นโทษเป็นการทรมารยกายแต่ว่าบรรดาสัพว์สัตว์ตัางหลายที่เกิดมาแล้วทั้งหมดที่ไม่สามารถจะทําได้ยยาย่ำอยากจะมีชีวิตเป็นอยู่ดังนั้นองค์สมเด็จพระบรมโคดจันทรงสมเดว่าสัพเพสัตตามริสันติมรนันตังหิชีตังเป็งที่ว่าคนในสัตว์เกิดมาแล้วจะต้องตาย เมื่อมในเมื่อเรารู้ว่าความตายมันเป็นของมีจริงแล้วตายแล้วมีสภาพไม่สูญถ้าไม่เกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเตษณ์นาสุรกายเป็นสัตว์ดิฉันก็เกิดเป็นคนถ้าไม่เกิดเป็นค น, นก็เกิดเป็นเทวดาเลยครับผมถ้าเป็นพระอรหันต์ก็ไปไนิพพานสภาวะมันไม่สูญฉะนั้นข้ามันดาท่านพุทธบริษัททุกท่าน ก่อนพิยาตาจงตั้งใจบำเพ็ญบุญให้เป็นทุนเดิมสําหรับเรานั่นก็คือหนึ่งทานไมัยบุญสมอติการบริจาคทานเรื่องการให้ทาน ม, มีโอกาสจะให้หรือไม่มีโอกาสจะให้ให้ตั้งใจไว้เพื่อให้เป็นปกติตางกาลังที่เราจะพึงให้ได้อย่างนี้จะเป็นจ า, ารคณาสติกรรมฐานเป็นการหนึงกําลังใจของเราให้เข้าถึงการมาวจรสวรรค์ ไ้ก็มีสองสินใหม่กำลังใจแลกษาสินเป็นปกติการแลกษาสินเป็นปกติถ้ากำลังใจยังอ่อนก็เกิดเป็นเทวดาแต่สินยังอ่อนถ้ากลับลงมาเกิดก็เกิดเป็นกริสับถ้ากำลังใจสินและกำลังใจทางแต่กล้ามีกำลังใจเป็นชาอย่างนี้ก็ไปเกิดเป็นรม เล่นลอ น, นิยมแคากําลังใจทั้งสองอย่างในจาระมิติสรรมฐานก็ดีศีลานมิติสมถานก็ดีเป็นชานปัญญายหญ่ก็ยังเกิดยังเห็นโทษเห็นทุกข์ในขันห้าถ้าเราเห็นโทษเห็นทุกข์ในขันห้าว่าขันห้านี้มีสภาพไปรเที่ยงเป็นผู้แปรนาตาเราไม่มีความปรารถนาในขันห้าในชาติต่ตอไป มีกําลังใจตั้งไว้โดยเฉพาะว่าขันห้านี้ฟังมาอะไรแล้วขอไปนิพพานเหมือนนั้นอย่างนี้จิตใจมับรรดาท่านพุทธบริษัทถ้ามีความตั้งมันม่นตายเมื่อไรก็ไปนิพพานเหมือนนั้นเพราะจิตใจสะอาดบริสุทธิ์ไม่ติดอยู่ในขันห้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงกล่าวว่าเป็นการตัดอวิชาโดยอิขาดอรันดาสาวกพระองค์สมเด็จพระบรมราปอรณัยการชนแดงปัรมาทีสนา ก็หมดเวลามายี่สก้านาทีเสร็จก็ขอยุติวัรมเทสนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้ในที่สุดแต่ธรรมเทศนานี้อาตมาภาพขอตั้งสติญาติฐานอ้างคุณระศย์ศรตนาไตรมีพระพุทธรัตนะธรรมรัตนะและสังฆรัตนะทั้งสามราการ จงอุเบกขาบันดาลท่านคุตติมัยศัต ร, ร, ตรทูท่านให้มีในความสุขดวัสิทธิพิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลและจงเจริญด้วยจากตุรพุทธพรชัยทั้งสี่ประการมีอายุวันนาสุขภาพระลระบริบานหากทาใดดีองสมุดประสมม า, ส, ย า, ยาสมเด็จเจ้าสมบูรณ์แล้ว พาวนรราสาวกพระองค์สมเด็จทวทีเแก่ทุกท่านจงลดทันนั้นในชาติปัจจุบันนี้เถิดเอวังก็มีป ร, ระกาและเี่นนี้